ริคือกลุ่มกระแสของขันห้าเริ่มเห็นแล้วเห็นกลุ่มรูปฐานขันเห็นกลุ่มของเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันและวิญญาณขันที่ไปแทงตลอดขันห้าอยู่มั้งเงนและทำที่นอกจากขันห้าด้วยโอ้โหวิจิตมากใช่ไหมกลุ่มขันห้านี้แทงตลอดขันห้าแล้วก็ทำที่เป็นสังขารและวิสังขารทั้งที่เป็นปรจมัดและบัญญัติ ท่านรอบรู้หมดเลยเป็นอภินญยยธรรมนั่นรู้หมดเลยทำที่ควรรู้ยิ่งสังขารวิการและขณะนิพพานบัญญัติแปลว่าท่านแทงตลอดหมดนี่สภาวะอันนี้ยคือสัมมาสัมพุทธะนี่แหละทีนี้พอเข้าใจตรงนี้เบียเศจใช่ไหมอ๋อจะไล่โดยความเป็นรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขา ร, ารวิญญาณก็ได้ใช่ไหมเออจะไล่โดยความเป็นมนายตนะธรรมายตนะเป็นตัวไปตนตัศ ร, รูก็ได้ ตั้งอยู่บนฐานของรูปายยตนะตั้งอยู่บนฐานของเกี่ยวในเรื่องของธรรมายยตนะหาทเยอทุเห็นไหมถึงบอกว่ า, า, า, า, ร, าร้าทาีธาตุพระปรมาสารีรทกธาตทั้งสิ้นที่กลุ่มมหาพุทรทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่นั้นเป็นกลุ่มมหาพุทธรูปที่เกิดจากอุตุแลหาน มหาพุทธโรดจเกิดจากจิตและจะเกิดจากกรรมนั้นดับสิ้นหมดแล้วแต่ทั้งๆ ท, ที่เกิดจากอุตตุและอาหารอาขออัยนะอาหารก็หมดแล้วที่เกิดจากอุตุอ่ะแม้นอุตุอันนั้นนะ่ะนะที่เป็นดินน้ําไฟลมที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุที่เราบูชากันตั้งหลายนะถูกกระทบกระทั่งโดยพยานะันนี้มากมายนะเกี่ยวข้องกับพยา น, นี้มากมายมากเป็นที่ตั้งของ สหาสารณญยานหพุทธยานสิบสี่นี่แหละเวนี่ก็รทำสิบปเวสาวรัชยานสี่ทศพลยานสิบนี่แหละฉะนั้นสัพพัญยุตยานก็เคยตั้งอยู่แล้วอินเรียโปรป ร, ริติยานใช่ไหมมหากรุณาสมาปฏิญานยมกัปปาทิหาริยยานอาศยานุตเสยายานเนี่ยอนาวรณยานและสัพพัญยุตยานเคยตั้งเคยทํากิจและรูปธรรมเหล่านี้ไปมาหมดแล้ว ตลอดเย็นพรมมาโลกตอนนี้หยูดกระจัดกระจายทั่วไปเราลองคิดดูนั่นคือพระศาสดาจริงๆทีนี้การที่เราจะเห็นสภาวะเห่งการ์ที่ว่ากรณีที่ว่าสภาวะที่ไปตัดสรุปลายาศัสตร์นั่นคือกลุ่มนามาธรรมใช่มคือตัวกลุ่มนามาธรรมแต่นามาธรรมนั้นจะไปไม่ได้เลยถ้าไม่ตั้งอยู่บนฐานของรูปธรรม สรุปก็คือสภาวะทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่สภาวะของรูปธรรมและนามธรรมนั้นไปแทงตลอดว่าด้วยความเป็นรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้ว่าด้วยความเป็นจักขายัตนารูปายัตนาโสตายัตนาสัทายตนาใช่ไหมคานายัตนาคันตายัตนาชิวหายัตนารัศายัตนากายายัตนาโผฏปายัตนามันายัตนาคือตัวจิต ตัวอารธามาร์คณัธผลเป็นต้นอันนั้นคือตัวอารธามารคเนี่ยตัวจิตนี่นะเป็นมานายะตนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบเป็นธรรมายะตนะเทะว่าโดยธาตุตัวไปแทงตลอดนั้นคือมโนมโนยา น, นาธาตุแล้วก็ธรรมธาตุใช่ไหมเราก็จะเห็นโอ้โหมโนาธาตุและธรรมธาตุนี่แท้ที่จริงกับเกี่ยวกับในเรื่องของขันยายตานะธาตุ จริงๆเลยกําลังทํากิจในการเข้าไปแทงตลอดอริยสัจอ๋อสัมมาสัมพุท ธ, ธคืออันนี้เองคือสิ่งสิ่งนี้นี่เองกว่าจะมีสิ่งนี้ในการจะตัดตรั้อริยสัจบ่มเพาะมาอย่างยาวนานมากนี่เนาะคือพระพุทธเจ้ากว่าเราจะค้นคําว่าพุทธเจ้าเจอนี่ยาวนานมากใช่ไหมกว่าจะเข้าใจคํานี้ดูที่อายุ ป, ปาเข้าไปกี่ควบแล้วใช่ไหม เราจะเห็นว่าโอ้โหอันนี้เอาชาตินี้นะในอนดีตที่ยาวนานมาเราค้นคำนี้ไม่เจอค้นไม่เจอไม่เห็นสภาวะตัศรุอริยสัตว์ว่าเป็นพุทธไม่เห็นตัวอริยสัตว์โดยเฉพาะเนะี่ยไม่เห็นทุกสมุทยัยอริยสัต์นโรดมากเนะ่ยโดยเฉพาะก็คือโลกุตระทมเก้า มรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งไม่เห็นสภาวะอันนี้เป็นธรรมะไม่เห็นสภาวะอันนี้เพราะที่จริงโลกุตละธรรมนี่นะมรคสี่นี่นะก็คือไปเห็นทุกข์ต่ทํากิจโดยกิจของเขาเนะยรอบรู้ทุกข์นะโดยกิจของเขาคือรากสมุทัยนะโดยกิจของมรคเนะี่ยทำนี้โรธให้คือพระนิพพานให้แจ้งอยู่เป็นอารมณ์อยู่นะและวโดยกิจของเขาก็คือเขาจัดสรรไปชุมมรคอยู่ พุนประชุมโพธิี่ปากเชีรทำอยู่ในนั้นเราไม่เห็นธรรมะตัวสภาวะธรรมะคืออริยสัจอันนี้อย่างยาวนานแล้วตอนนี้เราเห็นโดยโดยพระธรรมโดยการฟังพระสัจธรรมได้อย่างหนึ่งก็คือไม่เห็นสภาวะที่เข้าถึงใช่ไหมเช่นพระสาริบุตรท่านเข้าถึงอย่างไรพระท่านพระโกทนทัาญาท่านเข้าถึงอย่างไรเป็นต้น การเข้าถึงอริยสัจของกระแสของนามธรรมของท่านเหล่านั้นน่ะนั่นคือสังฆะใช่ไหมในกลุ่มที่ท่านพระโมคคัลลานะทั้งหลายท่านธโกนทันยวะวัปปาพัติยะมหานามอัสฉิยะสะวิมลลสุภาหูปุณณชีคําวัตปติใช่ไห ม, ไหมแล้วก็สหายอีกห้าสิสี่ห้าห้าสิบเนี่ยแล้วก็ในกลุ่มของอุลุเวลากสะศพขยากัะสปาแล้วก็นัทีกัสปา เพราะในบริวารอีกพันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะนะกลุ่มของท่านพระสาริบุตรพระโมคคัลลานาบริวารถึงสองร้อยหสิที่ท่านได้เป็นสภาวะสังขะที่เข้าไปแทงตลอดอริยสัตว์เป็นสภาวะนะสภาวะของโสดาปภิ m a r k สกาธาคามิม a r k s นาค า, มารมักอารัมัของท่านที่ตั้งอยู่บนกระแสของขันอายตนาทาของท่านกําลังเป็นไปในการทํากิจรอบรั่วอริยสัตว์สภาวะอันนั้นเราเรียกว่าสังขานี่ ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราบอกโอ้โหเนี่ยต่อไปพุทธทางสระณังกระฉามีร้องเรียกแล้วมันชื่นใจถ้าเข้าใจอย่างนี้นะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเราท่องพุทธทางสระณังกระฉามีธรรมังสะรณังกระฉามีสังกังสะรณังกระฉามีไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นสภาวะ น, นี้น้อมนึกมากันอย่างยาวนานแล้วเนี่ยจุติจิตเกือบเกิดเลยนะที่จะนึกไม่ออกเลยนึกตรงเนี้ยวันนี้เห็นแล้ววันนี้เข้าใจแล้ว ใช่ั้มเข้าใจยใันไหมขอยเข้าใจทฤษฎีคบ ส, สอนใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นบุญอย่างหลายหลายแล้วอย่าลืมนะว่าที่แม่ของพระสารีบุตรไปจับเท้าของพระส า, าบุตรพอ่อใช่ั้มลูกไม่เห็นคุณของพ่อแม่ไม่เห็นคุณของพ่อ ใช่ไหมนั่นแหละเพราะภาษาลิบุตไม่บอกท่านสักทีใช่ไหมพอบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วท่านท่านต้งบอกโอ้โหคุณของท่านยิ่งใหญ่มากแม้ท่านไม่มีพุทธสัมมาสัมพุทธะเนี่ยไม่มีสภาวะของสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพระธรรมจะอุบัติได้ยังไงเนี่ยโลกุตลรธรธรมแล้วก็พระสัตธรรมเนี่ย สิปการโยบัตดยังไงเนี่ยและสภาว่าสังฆะจะเกิดยังไงใช่ไหมภาษาวกทั้งหลายที่ท่านบ่มพาอบารมีมาเนี่ยท่านรอนียรอคําว่าพุโทโธเนี่ยท่านรอมาอย่างยาวนานนีใจจดใจจอ่อไหมก็หายมากคําเนี้ได้ยินมาคอยได้ยินอย่างเงี้ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นคุณของพระบรมศาสดายิ่งใหญ่จริงๆนี่ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของสัตว์บุคคลเราจะเข้าใจชัดขึ้น เพราะสภาวะเราเข้าใจแล้วทั้งสภาวะพุท ธ, ธสภาวะธรรมสภาวะสังขะพอพูดถึงในเรื่องของสัตว์บุคคลแต น, นี้เข้าใจชัดเลยแต่นี้จะกล่าวในญ่านไหนก็โล่งไม่ติดขาดติดต่อไปแล้วเพราะเรียกเข้าใจทั้งปรมัตและบัญญัติพอเข้าใจทั้งปรมัตและบัญญัติเนี่ยแม้มีพุท ธ, ธะเอย่ยมีธรรมะเอย่ยมีสังขะด้วยความเป็นสภาวะเป็นอัตยาศัยก็ตัดสินได้ตามท่านจริงๆ แล้วแล้วเหมาะสมแก่การยะตัดสรู้จริงๆใช่ไหมถ้าคิดเป็นถ้าคิดเป็นบารมีเต็มเปี่ยมนี่นะเข้าใจและ